สิบสี่ตูววัตกะสูตรตันนิบาทอธิบายตูววัตกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้คมจัดบาตรทำอย่างเร็วพลัน พระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายตัววัตกะสูตรดังต่อไปนี้หนึ่งร้อยห้าสิบพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันพระอาทิตย์ผู้มีวิเวกมีสันติบททรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรจึงไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดับไปว่าด้วยการถามสามอย่าง คำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์อธิบายว่าคำว่าทูลถามได้แก่การถามสามอย่างคือหนึ่งการถามเพื่อทำให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นสองการถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วสการถามเพื่อตัดความสงสัยการถามเพื่อทำให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเป็นอย่างไร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 คือโดยปกติลักษณะใดตนรู้เห็นเทียบเพียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งแล้วก็ถามปัญหาเพื่อเทียบเพียงลักษณะนั้นกับบันดิตเอื่ น, น้ชื่อว่าการถามเพื่อเทียบเพียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วการถามเพื่อตัดความสงสัยเป็นอย่างไรคือโดยปกติบุคคลเป็นผู้แลนไปสู่ความสงสัยแลนไปสู่ความเคลือบแคลงเกิดความคิดเป็นสงแง่ว่า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 คือพวกมนุษย์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาคือภิกษุก็ทูลถามภิกษุณีก็ทูลถามอุบาสกก็ทูลถามอุบาสิกาก็ทูลถามพระราชาก็ทูลถามพระสัตรูก็ทูลถามพราหมณ์ก็ทูลถามแพทย์ก็ทูลถามสูตรก็ทูลถามครหัตก็ทูลถามบรรปะชิตก็ทูลถามนี้ชื่อว่าการถามของมนุษย์ การถามของอมนุษย์เป็นอย่างไรคือพวกอมนุษย์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาคือพวกหน้าก็ทูลถามครุฑก็ทูลถามยักษ์ก็ทูลถามอสูรก็ทูลถามคนทันก็ทูลถามถท้ามหาราชก็ทูลถามพระอินทร์ก็ทูลถามพระพรหมก็ทูลถามเทวดาก็ทูลถามนี้ชื่อว่าการถามของอมนุษย์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 การถามถึงอายตนะการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงสติปทาน 2. การถามถึงสัมมาปทาน 3. การถามถึงอิธิบาศการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงอินรีส4 2. การถามถึงภละสมการถามถึงโภชฌงการถามอีกสามอย่างคือ หการถามถึงมรรคสการถามถึงผล 3. การถามถึงนิพพานคําว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์อธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์คือทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ประกาศว่าขอโปรดตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ คำว um. ่าผ mm. ู meats, <sincer tres> ้ทรงเป็นเผ่าพันพระอาทิตย์อธิบายว่าพระสุริยะตราดเรียกว่าพระอาทิตย์พระสุริยะชื่อว่าเป็นพระโคดมโดยพระโคธแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นพระโคดมโดยพระโคธพระผู้มีพระภาคจึงทรงปรากฏโดยโคดพระอาทิตย์คือทรงเป็นเผ่าพันโดยโคดพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้ทรงเป็นเผ่าพันพระอาทิตย์ รวมความว่าข้าพระองค์ขอทนถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันุ์พระอาทิตย์ว่าด้วยวิเวกสามอย่างคําว่าผู้มีวิเวกมีสันติบททรงแสวงหาคุนอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าคําว่าวิเวกได้แก่วิเวกสามอย่างคือหนึ่งกายวิเวกสองจิตตวิเวกสอุปธิวิเวก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 นั่งในที่ลับรูปเดียวอธิษฐานจงกรมรูปเดียวเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยั่งชีวิตให้ดำเนินไปรูปเดียวนี้ชื่อว่ากายวิเวกจิตวิเวกเป็นอย่างไรเือผู้บรรลุปฐมฌานย่อมมีจิตสังกัดจากนิวรณ์ผู้บรรลุทุติยฌานย่อมมีจิตสังกัดจากวิตกและวิจาร์ ผู้บรรลุตติยฌานย่อมมีจิตสงข์จากปีติผู้บรรลุเจตุธาฌานย่อมมีจิตสงข์จากสุขและทุกข์ผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะสมาบัติย่อมมีจิตสงข์จากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาผู้บรรลุวิญญาณนัญจายตนะสมาบัติย่อมมีจิตสงข์จากอากาสารนันจายตนะสัญญาผู้บรรลุอากิญจัญญายตนะสมาบัติ ย่อมมีจิตสง่าจากวิญญาณัญจา ย, ยตนะสัญญาผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตย่อมมีจิตสง่าจากอาคินจัญญายตนะสัญญาผู้เป็นพระโสดาบันย่อมมีจิตสง่าจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตาปรามาธทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและเหล่ากิเลส ท, ที่อยู่ในพวกเดียวกันกันกบสักกายทิฏฐิเป็นต้นนั้น ผู้เป็นพระสกท า, าคามีย่อมมีจิตสังห์จากการรมราคะสองโยต์ปฏิฆะสองโยต์อย่างหยาบกรรมราคานุใสปฏิฆานุใสอย่างหยาบและเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับกรรมราคะสังโยน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอนาคามีย่อมมีจิตสังห์จากการรมราคะสังโยต์ปฏิฆะสังโยต์อย่างละเอียดกรรมราคานุใสปฏิฆานุสัยอย่างละเอียด และเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับการามราคะสังโยชน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอระหันต์ย่อมมีจิตจังอจจากรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะอวิชามานานุใสพวาวราคานุัยอวิชานุัยเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับรูปราคะเป็นต้นนั้นและสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอกนี้ชื่อว่าจิตตะวิเวก อุปธิวิเวกเป็นอย่างไรเพื่อกิเลสก็ดีขันธ์ก็ดีอภิสังขารก็ดีตราดเรียกว่าอุปธิอมตะนิพพานตราดเรียกว่าอุปธิวิเวกคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่ฉลาดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนักเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทนี้ชื่อว่าอุปธิวิเวก กายยวิเวกเย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีบออกแล้วยินดีในเนี่ยขัมมะจิตตวิเวกเย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงความเป็นผู้ผางแพร่ยิ่งและอุปทิวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้ปราศจากอุปธิบรรลุนิพพานอันปราศจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วคําว่าสันติอธิบายว่าทั้งสันติและสันติบทมีความหมายอย่างเดียวกัน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 เป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทนี้เป็นบทสงบเป็นบทประนีตอีกในหนึ่งด้วยความหมายต่างกันทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อบรรลุความสงบถูกต้องความสงบทำให้แจ้งความสงบคือสติปทานสี่สั ม, มปทานสี่อิทิบาสีอินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอเรียมมีองแปด ทำเหล่านี้ตรัสเรียกว่าสันติบททางสงบตาณบททางปกป้องเลนะบททางหลีกเร่นสรณบททางเป็นที่พึ่งอพิยบททางไม่มีภัยอัจุตบททางที่ไม่จุติอมตะบททางอมตะธรรมนิพพานบททางนิพพานคำว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้แก่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาคือค้นหาเสาะหาสีละขันใหญ่จึงชื่อว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาคือค้นหาเ <mad> สาะหาสมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุติขันใหญ่วิมุติญาณนัทสนะขันใหญ่ จึงชื่อว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีประภาคทรงแสวงหาคือค้นหาเจาะหาเครื่องทําลายกองความมืดใหญ่เครื่องทําลายความวิปลาดใหญ่เครื่องถอนลูกศรเพื่อตันหาใหญ่เครื่องปลดเปลืองโครงทิฏฐิใหญ่เครื่องกําจัดธงคือมานะใหญ่เครื่องเข้าไปสงบอภิสังขานใหญ่เครื่องปิดกั้นโอคะใหญ่เครื่องวางภาระใหญ่ห เครื่องตัดสังสารวัตใหญ่เครื่องดับความเดือดร้อนใหญ่เครื่องระงับความเร่าร้อนใหญ่เครื่องยกธงคือธรรมใหญ่จึงชื่อว่าผู้ทรงแสวงหาขุนอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาคือค้นหาเสาะหาสติปทานใหญ่สมมปิปทานใหญ่อิทธิบาทใหญ่อินทรีย์ใหญ่พระละใหญ่ผู้ชงใหญ่อริยมรรมีองค์แปดใหญ่ บรมัตถอมตะนิพพานใหญ่จึงชื่อว่าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่เหล่าสัตว์มเหศัษ์สแสวงหาคือค้นหาเสาะหาว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงองค์อากว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่า ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวมความว่าผู้มีวิเวกมีสันติบททรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คำ ว, ว่าภิกษุเห็นอย่างไรดับไปอธิบายว่าภิกษุเห็นคือแลเห็นเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งอย่างไรจึงทำให้ราคะของตนดับไปทาให้โทสะของตนดับไปทำให้โมหะของตนดับไป ทำให้โกทะุปนาหะมัคขะปลาสะอิจามชัชฉรยะมายาสาเถยะธรรมภะสารมภะมานะอติมาน ะ, ะ, ะมะทะปมาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกรงกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาพิสังขารทุกประเภทดับไปคือทาให้สงบ ให้เข้าไปสงบให้สงบเย็นระงับเสียได้คำว่าภิกษุได้แก่ภิกษุผู้เป็นกลยาณปุตตชนหรือภิกษุผู้เป็นพระเสคขะรวมความว่าภิกษุเห็นอย่างไรดับไปคำว่าจึงไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกได้แก่ไม่ถือมั่นคือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นด้วยอุปท า, านสี่ คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอสยตนะโลกคำว่าอะไรอะไรได้แก่อะไรอะไรที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมความว่าจึงไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรเมจึงทูลถามว่า ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันพระอาทิตย์ผู้มีวิเวกมีสันติบททรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรจรึงไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดับไป มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุพึงขจัดบาปทำทั้งปวงที่เป็นรากเง่าของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่อนช้าและอัศมิมาณะด้วยมันตาตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดในภายในภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกําจัดตัณหาเหล่านั้นว่าด้วยทําเป็นเครื่องเนื่อนช้าคําว่าภิกษุพึงขจัดบาปทำทั้งปวง ที่เป็นรากเห่า e ของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่อช้าและอัศมิมานะด้วยมันตาอธิบายว่าธรรมเป็นเครื่องเนื่อช้านั่นแหละชื่อว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่อช้าคือส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่อช้าคือตันหาส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่อช้าคือทิฏฐิรากเห่าแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่อช้าคือตัญหาคืออะไรคืออวิชาความไม่รู้อโยนิสมนัการ ความไม่ทําไว้ในใจโดยแยบคลายอัจฉิมานะความถือตัวอหิริกะความไม่ละอายอนโนตตปะความไม่เกรงกลัวอุทัจจะความฟุ้งซ่านนี้ชื่อว่ารากเง่าแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้าคือตันหารากเง่าแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้าคือทิฐิคืออะไรคืออวิชชาอโยนิสมานัสการอัศฉิมานะอหิริกะ อนโนตปะอุทจะน้ชื่อว่ารากเงาแห่งธรรมเป็นเครื่องเล่นช้าคือทิฏฐิคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวโดยความเคารพอีกในหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทําลายราคะาได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทําลายโทสะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทําลายโมหะได้แล้ว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 โคชงเจ็อเรียมักมีองค์8ดจึงชื่อว่าพระผู้มีประภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีประภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตาพลายานสิทธิเวสารัญสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภินยาหกพุทธธรรมหกจึงชื่อว่าพระผู้มีประภาคพระนามว่าพระผู้มีประภาคนี้นิชัยพระชนนีทรงตั้ง มิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระภคินีทรงตั้งมิใช่มิตรและอามาตต์ตั้งมิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายลุหิตทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ตั้งมิใชยเทวดาตั้งคำว่าพระผู้มีประภาคนี้เป็นวิโมกขันเตียกนามเป็นสัสติกาบัญญัติของพระผู้มีประภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตยานที่โคนต้นโพ ร, รวมความว่าภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวงที่เป็นรากเหง้าของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคําว่าพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวงอัศมิมาณะด้วยมันตาอธิบายว่าปัญญาตรัสเรียกว่ามันตาคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม ส ม, มาิิคำว่าอาสมิมานะได้แก่มาณะว่ามีเราฉันทะว่ามีเราอนุสัยว่ามีเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำว่าภิกษุพึงขจัดบาปทรรมทั้งปวงที่เป็นรากเหง้าของสวนแห่งธรรมเป็นเครื่องเลื่อนช้าและอัศมิมานะด้วยมันตาอธิบายว่าภิกษุพึงขจัด คือเข้าไปขจัดให้ดับให้เข้าไปสงบให้ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับบาปธรรมทั้งปวงที่เป็นรากเหง้าของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าและอัศนีมานะด้วยมันตารวมความว่าภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวงที่เป็นรากเหง้าของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าและอัศนีมานะด้วยมันตาคําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคําว่า ตันหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดในภายในได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคําว่ายางใดอย่างหนึ่งนี้เป็นคํากล่าวรวมไว้ทั้งหมดคําว่าตันหาได้แก่รูปตันหาธรรมตันหาคําว่าที่เกิดในภายในได้แก่ตันหาที่เกิดในภายในจึงชื่อว่า ที่เกิดในภายในอีกในหนึ่งจิตตราเรียกว่าที่เกิดในภายในเพือจิตมโนมานัตหาไทยปันระมณนะมนายตนะมณีสีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เกิดจากผัสสะเป็นต้นนั้นตัณหานั้นไปพร้อมกันเพื่อเกิดร่วมกันระคนกันเกี่ยวเนื่องกันเกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตจึงชื่อว่าที่เกิดในภายในรวมความว่าตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดในภายในว่าด้วยผู้มีสติด้วยเหตสีคำว่าทุกเมื่อในคำว่าภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นได้แก่ทุกเมื่อคือในการทั้งปวง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 ตลอดข้างแรมข้างขึ้นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนตลอดปฐมวัยมชิมวัยปัจฉิมวัยคำว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 2. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย สชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต 4. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายมีสติด้วยเหตุอีกสอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กระทําสิ่งทั้งหลายที่ควรทําด้วยสติ 3. ชื่อว่ามีสติ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 สี่ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติมีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะมีอยู่ตามปกติสองชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สงบสชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ระงับสชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษมีสติด้วยเหตุอีกสิบอย่างคือ 1>, 1. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงพุทธคุณ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงธรรมคุณสชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงสังขคุณ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงศีลที่ตนรักษา 5. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว 6. ชื่อว่ามีสติ เพราะเราลึกถึงคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาเจ็ดชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแปชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดาเ้าชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามสิบชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงธรรมที่สงบระงับกิเลสและความทุกข์คือนิพพาน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 ตรัสเรียกว่าสติบุคคลนั้นผู้ประกอบประกอบพร้อมดําเนินไปดําเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพีย่พร้อมแล้วด้วยสตินี้ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคําว่าพึงศึกษาอธิบายว่าศิกขาสามคือหนึ่งอธิศินและสิกขาสองอธิ จ, จิตแสิกขา สาอาธิปัญญ า, า, าสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลขันธ์เล็กศีลขันธ์ใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวม เป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่าอาทิตย์ศีลศิกษาอาทิจิตศิกษาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกรามและอภิสุรธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌาน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 เพราะสมณนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุเจตุธฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระโอเบคาอยู่นี้ชื่อว่าอาธิจิตสิกธาอาธิปัญญาสิกธาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ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 เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธาคาม่มีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคําว่าภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกําจัดปัญหาเหล่านั้นอธิบายว่าภิกษุ พ, พึงศึกษาทั้งอธิศีณและสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาคือสิกขาสามเหล่านี้เมื่อภิกษุนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษา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 ประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยชอบสมาทานประพฤติเพื่อกำจัดเพื่อบันเทาและสงบสลัดทิ้งรังนับตัญหาเหล่านั้นรวมความว่าภิกษุมีสติทุกเมือ่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดตัญหาเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุพึงประจัดบาปทำทั้งปวงที่เป็นรากเหง้าของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่องช้าและอัศมิมาณะด้วยมันตา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 ภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายในหรือในภายนอกแต่ไม่ควรทำความดื้อรั้นเพราะคุณธรรมนั้นเพราะการทำความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายเมื่อกล่าวว่าเป็นความดับกิเลสคำว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายในอธิบายว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งคือคุณธรรมฝ่ายกุศล หรือคุณธรรมฝ่ยายอภิญกริบคุณธรรมของตนเป็นอย่างไรคือพิกษุเป็นผู้มีความเห็นว่าเราเป็นผู้ออกบวชจากตระกูลสูงออกบวชจากตระกูลใหญ่ออกบวชจากตระกูลมีพระครัพย์มากหรือออกบวชจากตระกูลมีโภะทรัพย์ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏมียศกว่าขรหัดและบรรพชิตเป็นผู้มีปกติได้จีวบรบินบาตดเสนาสนะ และคีลานปัจใจเพศัปบรุคารเป็นผู้ทรงจำพระสูตรเป็นผู้ทรงจำพระวินัยเป็นพระธรรมกระถึกเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดเป็นผู้งวชชันอาหารมื้อหลังเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัด เป็นผู้ได้ปทมฌานได้ทุติยฌานได้ตติยฌานได้เจตุทัชฌานได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติได้อากินจัญญายตนะสมาบัติหรือเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเหล่านี้ตราสเรียกว่าคุณธรรมของตนพิสุพึงรู้คือรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะ แทงตลอดคุณธรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายในคำว่าหรือในภายนอกอธิบายว่าคุณธรรมเหล่านั้นเป็นของอุปชาหรืออาจารย์รวมความว่าในภายในหรือในภายนอกคำว่าแต่ไม่ควรทำความดื้อรั้นเพราะคุณธรรมนั้นอธิบายว่า พิสุทธ tamam ไม่ควรทำความดื้อรั้นคือไม่พึงทำความดื้อดึงไม่พึงทำความถือตัวไม่พึงทำความเยื่ยยิงไม่พึงทำความจองของเพราะคุณธรรมของตนหรือคุณธรรมของผู้อื่นได้แก่ไม่พึงให้มานะเกิดเพราะคุณธรรมนั้นไม่พึงเป็นคนกระด้างจองของหัวสูงเพราะคุณธรรมนั้นรวมความว่าแต่ไม่ควรทำความดื้อรั้นเพราะคุณธรรมนั้น คำว่าเพราะการทำความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสอธิบายว่าการทำความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายคือผู้สงบเย็นสัตว์ปรุษพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่บัญญัติไม่กำหนดไม่เปิดเผยไม่จำแนกไม่ทาให้ง่าย ไม่ประกาศว่าเป็นความดับกิเลสรวมความว่าเพราะการทําความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายเมื่อกล่าวว่าเป็นความดับกิเลสด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกสุพึ่งรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายในหรือในภายนอกแต่ไม่ควรทําความดื้อรั้นเพราะคุณธรรมนั้นเพราะการทําความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าววา um ่า เป็นความดับกิเลสหนึ่ง้อยห้าสิบสามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุไม่พึงสำคัญตนว่าเราเลิกกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาเพราะคุณธรรมนั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอนเนกแล้วไม่พึงกําหนดตนดำรงอยู่ว่าด้วยมานะคำว่าภิกษุไม่พึงสำคัญตนว่าเราเลิด ก, กว่าเขา เพราะคุณธรรมนั้นอธิบายว่าพิสุไม่พึงให้ความดูหมิ่นเกิดเพราะชาติโคตรความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลความเป็นผู้มีรูปงามทรัพการศึกษาหน้าที่การงานหลักแห่งศิละปะวิทยาวิทยฐานะความคงแก่เรียนปฏิภาณหรือสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่าเราเลิ่กว่าเขารวมความว่า ภิกษุไม่พึงสำคัญตนว่าเราเลว ก, กว่าเขาเพราะคุณธรรมนั้นคำว่าเราด้อยกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาอธิบายว่าภิกษุไม่พึงให้ความถือตัวต่ำเกิดเพราะชาติโคดหรือสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่าเราด้อยกว่าเขาไม่พึงให้ความถือตัวเกิดเพราะชาติโคชความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลความเป็นผู้มีรูปงามจับ การศึกษาหน้าที่การงานหลักแห่งศิลปะวิทยาวิทยาฐานะความคงแสเรียนปฏิพานหรือสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่าเราเสมอเขารวมความว่าเราด้อยกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาคําว่าเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอเนกแล้วอธิบายว่าเป็นผู้เพียรพร้อมคือห้อมล้อมพรั่งพร้อม ประกอบพร้อมแล้วด้วยอาการหลายอย่างรวมความว่าเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอเนกแล้วคำว่าไม่พึงกำหนดตนดำรงอยู่อธิบายว่าอัตตาตรัสเรียกว่าตนไม่พึงกาหนดคือกำหนดวิเศษถึงความกำหนดตนดำรงอยู่รวมความว่าก็ไม่พึงกำหนดตนดำรงอยู่โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า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 ความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนคําว่าพึงสงบทิเละภายในนั่นเองอธิบายว่าภิกษุพึงสงบราคะพึงสงบโทสะพึงสงบโมหะภายในพึงสงบคือเข้าไปสงบสงบเย็นดับระ ง, งับโกตะอุปนาหะมัคคะวราสะอิสามัชริยะมายา สาเถียะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทธะบามาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุสลาภิสังขารทุกประเภทภายในรวมความว่าพึงสงบกิเลภายในนั่นเองคำว่าภิกษุไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่น อธิบายว่าไม่พึงแสวงหาคือไม่พึงค้นหาไม่พึงเสาะหาความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความรังงับไปโดยทางอื่นคือโดยมักที่ไม่หมดจดปฏิปทาที่ผิดหนทางที่ไม่ใช่ทางออกจากทุกนอกจากสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินรีภละโพชงอาริยมรรคมีองค์แปดรวมความว่า พิกษุไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่นคําว่าเมื่อพิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้วอธิบายว่าเมื่อพิกษุสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะภายในเมื่อพิกษุสงบคือเข้าไปสงบสงบเย็นดับระงับอกุศลาภิสังขารทุกประเภทภายในได้แล้วรวมความว่าเมื่อพิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้ว คำว่าไม่มีในคําว่าความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนเป็นคําปฏิเสธคําว่าความเห็นว่ามีตนไม่มีได้แก่ความเห็นว่าที่ยังไม่มีคําว่าความเห็นว่าไม่มีตนไม่มีได้แก่ความเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีคําว่าความเห็นว่ามีตนไม่มีได้แก่ สิ <Workers'> ่งท no ี่เธอไม่มีคำว่าความเห็นว่าไม่มีตนไม่มีได้แค่สิ่งที่ควรปล่อยไม่มีผู้ใดไม่มีสิ่งที่ถือไว้ผู้นั้นก็ไม่มีสิ่งที่ควรปล่อยผู้ใดมีสิ่งที่ควรปล่อยผู้นั้นก็มีสิ่งที่ถือไว้พระอรหันต์ก้าวพ้นการถือและการปล่อยล่วงพ้นความเจริญและความเสื่อมได้แล้ว พระอาหารหันต์นั้นอยู่ในอริยว่าสธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วและภกใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุพึงสงบกิเลสภายในนั่นเองไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อพิกษุงสงบกิเลสภายในได้แล้ว ความเห็นว่ามีตนหรือความเห็นว่าไม่มีตนก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนึ่งห้าิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใดภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่หวันไหวชั้นนั้นภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนไหนคําว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใด อธิบายว่าโดยส่วนลึกทะเลลึกแปดหมื่นสี่พันโยธน้ำส่วนแ่างสี่หมื่นโยธย่อมกระเพื่อมด้วยฝูงปลาและเต่าน้ำส่วนบนสี่หมื่นโยธก็กระเพื่อมด้วยลมน้ำส่วนกลางสี่หมื่นโยธไม่กระเพื่อมไม่สั่นสะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่วันไหวไม่จันไหวไม่ปั่นป่วนเลยคือเป็นทะเลไม่วันไหวไม่กระชอไม่เคลื่อนไหว ไม่กระเพื่อมไม่หมุนวนสงบคลื่นไม่เกิดกลางทะเลนั้นทะเลก็เรียบอยู่รวมความว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใดอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งทะเลสีทันดรอยู่ระหว่างภูเขาเจ็ดลูกน้าในทะเลสีทันดรนั้นไม่กระเพื่อมไม่สั่นสะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่วันไหวไม่สั่นไหวไม่ปั่นป่วนเลย คคอเป็นทะเลไม่หวั่นไหวไม่กระชอกไม่เคลื่อนไหวไม่กระเพื่อมไม่หมุนวนสงบคลื่นไม่เกิดในทะเลสีธันดอนนั้นทะเลก็เรียบอยู่รวมความว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใดอย่างนี้บ้างคำว่าฉันนั้นในคำว่าภิกษุ พ, พึงเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวฉั้นนั้นเป็นคาอุปมาทาอุปมาให้สมบูรณ คำว่าพึงเป็นผู้มั่นคงอธิบายว่าภิกษุนั้นไม่หวั่นไหวคือไม่จะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่สะท้า น, ไ ม, น, านไม่สั่นสะท้านไม่สะทกสะท้า น, านเพราะได้ลาบเพราะเสื่อมลาบบ้างเพราะได้ยศเพราะเสื่อมยศบ้างเพราะสรรเสริญเพราะนินทาบ้างเพราะสุขเพราะทุกข์บ้างรวมความว่าพึงเป็นผู้มั่นคงฉคันนั้นคำว่าไม่หวั่นไหว อธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวั่นไหวคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะตัณหาที่ตรัสเรียกว่าความหวั่นไหวนี้ภิกษุใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วถอนได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วภิกษุนั้นตรัสเรียกว่า ผู้ไม่มีตัณหาเป็นเหตุวันไหวเพราะเป็นผู้ละความวันไหวได้แล้วจึงชื่อว่าไม่วันไหวภิกษุนั้นย่อมไม่วันไหวคือไม่จะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่สะทานไม่สรนสะทานไม่ะทกสะทานเพราะได้ลาบเพราะเสื่อมลาบบ้างเพราะได้ยศเพราะเสื่อมยศบ้างเพราะสรรเสริญเพราะนินทาบ้างเพราะสุขเพราะทุกบ้างรวมความว่า ภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่วันไหวฉันนั้นว่าด้วยกิเลสเครื่องฟูใจเจ็ดอย่างคำว่ากิเลสเครื่องฟูใจในคำว่าภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนๆได้แก่กิเลสเครื่องฟูใจเจ็ดอย่างคือ1กิเลสเครื่องฟูใจคือราคะ 2. กิเลสเครื่องฟูใจคือโทสะ สกิเลสเครื่องฟูใจคือโมหะสี่กิเลสเครื่องฟูใจคือมานะห้ากิเลสเครื่องฟูใจคือทิฏฐิหกิเลสเครื่องฟูใจคือกิเลสเจ็ดกิเลสเครื่องฟูใจคือกรรมภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจนั้นผือไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้บังเกิดไม่พึงให้บังเกิดขึ้น คำว่าในที่ไหนไหนได้แก่ในที่ไหนเพื่อที่ไหนไหนที่ไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกรวมความว่าภิกษุไม่พึงกาะกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนไหโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใดภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวชั้นนั้น ภิกษุไม่พึงก่อสิเลเครื่องฟูใจในที่ไหนไหน